สุดท้ายก็บรรลุธรรมเราจะเห็นว่าสมาธิเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็พูดุทธเจ้าเราเนี่ยตอนที่เป็ น, นาราชกุมารอันนี้กษัตร์มาก็เล่าย่อๆนะว่าได้ทำสมาธิใต้ต้นว่าในพระชนมายุเจ็ดขวบเราจะเห็นไหมพูดุทธเจ้าก็ได้ทำพึงปฐมฌานใต้ต้นว่านะตอนแรกนาขวัญ แลหลังจากนั้นแล้วพุทธองค์ก็สรงผนวดไปแล้วเนี่ยก็ศึกษาสมาธิกับอราราะิบททุกกดาบทก็สมาธิโลกเหมือนกันโลกียสมาธิหมดเลยจนถึงสมาธิสูงสุดก็คือเนวะสัญญานาสัญญายาตนาก็คือฌานนะฌานอรูปฌานนั่นเองทีงนี้ว่าฌานอรูปฌานเนี่ยมีในสมาธิมีมาพุทธเจ้ามาตลอดแม้แต่ชาติสุดท้ายก็มี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 ทีนี้เมื่อเราได้ความรู้บาตรฐานทั่วไปว่าโลกิยะมันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าสมาธิสงบออกมาไม่สงบเนี่ยจะทํำยังไงเราอยากได้สงบทั้งหมดนะ่ะเข้าก็สงบออกก็สงบอ่ะแล้วจะมาทํำยังไงเราก็ต้องมาฝึกโลกุตระสมาธิอีกทีหนึ่งฉะนั้นโลกุตระสมาธิเนี่ยจะต่างจากโลกิยะต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่า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 อะไรหนอเป็นดูดทำนบแล้วกระแสะเหล่านี้จะละด้วยทมอะไรฉะนั้นผู้ทูองก็สงกล่าว่ากิจเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดูดกระแสน้าสตินี่แหละเป็นดูดทำนบและกระแสะเหล่านี้จะละด้วยปัญญาแสดงว่าละด้วยปัญญาไม่ละด้วยสมาธิเลยแสดงว่าเราใช้สมาธิละไม่ได้ต้องใช้ปัญญาละนะแสดงว่าเราฝึกสมาธิกันเนี่ย